บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปคำถามที่ท่านโทตกะกราบทูนถามพระพุทธเจ้านั้นต้อ ง, งการผลสูงสุดคือความหลุดพ้นจากสังสารทุกข์และ ก, การยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ซึ่งรพระพุคเจ้าได้ทรงเนนหลักในการปฏิบัติให้ประกอบด้วยธรรมะสามประการคือความเพียรสติและสามัญชั ญ, ญาซึ่งเป็นหลักที่ทรงใช้เองและทรงสั่งสอนพุทธสาวกโดยแนบเดียวกันและในขณะเดียวกันท่านก็บอกว่าท่านเองนั้นยังมีความข้องใจยังมีความสงสัยในเรื่องต่างๆอยู่เป็นนั้นมากซึ่งรพระพุาคเจ้าก็รับสั่งว่า โรเงเรียนนั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือใครซึ่งยังมีความข้องใจยังมีความสงสัยให้หลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้เพรา ะ, ะนันบุคคลจะต้องพยายามขจัดความข้องใจความสงสัยที่เกิดขึ้นด้วยตัวของตัวเองให้ได้เสียก่อนซึ่งความข้องใจสงสัยนั้นแม้จะมีการจำแนกแสดงออกไปโดยพิสดารยังไงก็ตามแต่ในพระบาลีท่านก็สรุปรวมไว้ เป็นความข้องใจสงสัยในแปดเรื่องสมาับกุธศา ส, สนิกชนทั้งหลายคือความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิกขาคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องราวต่างๆที่เป็นอดีตคือผ่านมาแล้วจะเป็นเรื่องเหตุการบุคคลตัวของเราเองที่สังสารวัฏอาจจะตั้งคำถามขึ้นมาว่า เราเคยเกิดมาแล้วหรือหรือว่าเรายังไม่เคยเกิดมาถ้าเราเคยเกิดเราเกิดเป็นอะไรเราเกิดเป็นอย่างไรมีสุขมีทุกข์เป็นอย่างไรเป็นต้นที่ทรงจําแนกแสดงออกเป็นรูปของสกายทิฐิคือความเห็นที่เป็นเหตุให้กําหนดว่ามีตัวมีตนหรือถือตั ว, ต ว, ตวถือตนขึ้นมาความสงสัยในเรื่องราวที่เป็นอนาคต ึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นต้นจนถึงกัชีวิตในอนาคตก้อ น, นี้จะเห็นได้ว่าแม้พุทธศา ส, สนิกชนได้ศึกษาได้สะดับสับฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาโดยลำดับแล้วก็ตามแต่ปัญหาเรื่องความเครืองแกรงสงสัยเหล่านี้ยังคงกัดกร่อนจิตใจของบุคคลยกกร่อนจิตใจของบุคคลอยู่ทาให้ไม่ค่อยจะมั่นคงในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ ซึ่งความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นบางครั้งบางคราวก็แสดงออกมาโดยถั้งคาโหหานเจนธาตชาตนาถ้าหากชาตนามีจริงอย่าได้พบกันอีกหรือชาติหน้าถ้าชาติหน้ามีจริงขอได้พบกันอีกเป็นต้นไอ้คํามาใช้คําว่าถ้าชาติหน้ามีจริ ง, าารงเป็นการแสดงเห็นทั้งภายในใจของบุคคลตอา น, นั้นยังมีความเครือบแค่งสงสัยอยู่ไอ้ความเครือบแคลงสงสัยเหล่านั้นก็อาจจะแสดงออกไป ในรูปที่ว่าเราจะเกิดอีกหรือไม่หรือว่าเราจะไม่เกิดอีกถ้าเราจะเกิดอีกเราจะเกิดเป็นอะไรเราจะเกิดเป็นอย่างไรเราจะมีสุขมีทุกข์เป็นอย่างไรในชาติ น, นั้นเป็นต้นนี่ก็คือเรื่องของความเครือข่งสงสยัยบางครั้งก็สงสัยหมดเลยทางอดิตนาคตก็ทําให้จิตใจสับสนว่าวุ่นไปตุประการต่างๆุกตาการเดินถึงทางสองแพร่งแต่สินใจไม่ถูกว่าทางใดเป็นทางที่ถูกต้องทางใดที่เป็นทางไม่ถูกต้อง สาดใดที่ยังมีความเครือบแคลงสงสัยอยู่การตัดสินใจเดินไปในเส้นทางสายใดสายหนึ่งก็มีไม่ได้บุคคลก็ต้องยืนอยู่ในจุดนั้นนั่นเองการปรฏิบับติธรรมาในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเ ช, นชน่นเดียวกันแต่ว่าภ า, ายในจิตใจของบุคคลยังมีความเครือบแคลงสงสยัยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือในพระพุทธเจ้าการปรฏิบับติก็จะเดินหน้าไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงว่าพลงไม่สามารถจะ ช่วยเหลือใครก็ตามที่ยังมีความเครียดแครงสงสัยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แในความเครียดแครงสงสัยเหล่านั้นก็มาสรุปอยู่ที่กฎของปัจจยการหรือปฏิจจสมุปาทหรือพูดอีกทีหนึ่งก็คือความสงสัยในเรื่องของอริยศาสตร์ทั้ง4ประการข้อนี้จะพบว่าความสงสัยในอริยศาสตร์ทั้ง4ประการนั้นก็เกิดขึ้นแก่บุคคลได้เช่นเดียวกัน ยมามการที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ จ, กจะมีความรู้สึกขัดแย้งในกรณีของความเกิดกับความแก่แโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเกิดซึ่งเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั้งหลายความรู้สึกขัดแย้งเหล่านั้นก็กลายเป็นความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องของทุกข์สัตย์บางครั้งบางคราวตนทําอะไรไปตามอํานาจของตัณหาตามอำนาจของกิเลสแล้วก็ได้ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยที่เป็นของใต้ของเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโทษของกิเลสตกลตัำหาออกไปใจของบุคคลก็จะเครือบแคลงสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าส่วนที่เกี่ยวกับสมุทยัยในเรื่องของในโลกัสสจจะก็อาจจะเกิดความเครือบแคลงสงสัยขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน พระวาละการที่ท่านทรงแสดงอธิบายไว้ในเรื่องนิโรธก็ดีนิพพานก็ดีวิมุตติก็ดีนั่นเป็นสภาวะที่ยากต่อการที่สัตว์จะเข้าถึงได้เพรา ะ, ะว่าบุคคลไม่ได้ประพฤติปฏิบัติใช้ความจึกนึกของตัวเองมาสันนิษฐานเอาคาดคะเนเอามางครั้งก็มองไม่เห็นและในสุดก็เกิดสงสัยในนิโรธว่ามีจริงหรือไม่มีจริงถ้ามีจริงสภาพเป็นอย่างไร การแสดงออกของบุคคลทั้งหลายที่เป็นรู ป, ปรธรรมก็คือการถูกเฉียงเรื่องราวเหล่านี้มีการอภิปรายเรื่องราวหล่านี้กันออกไปจนบางทางบางคราวก็เลยหลักคลีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเ อ, อไาไว้เ้วก็ย้อนกลับไปให้เห็นเรื่องความเครียบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าโดยในพระธรรมด้วยและในใจติขาคือหลักที่บุคคลจะต้องประพฤติปฏิบัติด้วย บางทีก็กลายเป็นความเครืยบแครงสงสัยที่ออกมาในรูปของข้อปฏิบัติคืออริยมรรคใน8ประการมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่มีความรู้สึกว่าถ้าตนต้องเสียเวลามาปฏิบัติตามหลักไตรคขาหรือตามหลักอริยมรรคแล้วก็เป็นการสูญเสียโอกาสทำลายผลประโยชน์ที่ตนจะพึงได้พึงถึงรู้สึกว่าในสังคมที่มีการรับรู้ปฏิบัติทํามกะกันอยู่นั้น คนที่มีธรรมะจะเป็นคนสูญเสียผลประโยชน์และก็ขาดทุนจากการดำรงชีวิตในสุดบุคคเหนั้นก็ไม่ยอมที่จะประพฤติปฏิบัติไปตามหลักอริยะมรรคทั้ง8ประการเป็นต้นนี้ก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการสงสยัยทั้งที่เป็นส่วนของรูปธรรมและส่วนของนามธรรมซึ่งพระูมพภาคเจ้าก็ทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติจะเป็นใครก็ตามถ้ายังมีความเครือดแครงสงสยัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่พระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าอยู่โอกาสที่จะเข้าถึงธรรมปฏิบัติธรรมได้รับผลของธรรมก็มีไม่ได้และความสงสัยเหล่านั้นเป็นเรื่องที่บุคคลเหล่านั้นจะต้องหาวิธีข้าจัดปัดเป่าเองพระพุทธเจ้าทรงทาได้แต่เพียงบอกเปิดเผยชี้แจงแสดงถึงความจริงในทีนน่นั้นให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นถ้าบุคคลไม่รับไป ศึกษาพินิจพิจารณาและน้อมนํามาประพฤติปฏ so okay. ิบ like ัติแล้วโอกาสที่เขาจะขจัดความสงสัยให้ออกไปจากจิตใจก็ทําได้โดยยากเมื่อมองเห็นความสงสัยว่าเป็นเรื่องที่ล่โดยยากตัดยากขัดเกลายากทําให้หมดไปจากใจจะยากเหตุนี้จําเป็นเลิศเกินที่จะต้องมันใช้หลักของโยนิโสมนัิการคือพิจารณาสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของตนโดยเหตุด้วยผลโดยบานแยกข่าย จากเรื่องที่ใกล้ชิดตัวเองเข้าไปหาเรื่องที่ไกลจากตัวออกไปจากเรื่องที่เป็นรูปธรรมเข้าไปหานามธรรมจากเรื่องที่ใกล้เข้าไปหาเรื่องที่ไกลจากเรื่องที่ยาวเข้าไปหาเรื่องที่ละเอียดเป็นต้นการคิดคิดไว้บ่อยๆเป็นการสะสมปัญญาขึ้นภายในจิตสํานึกของบุคคลผู้นั้นเรือการเดินความสงสัยความเครือบแคลงต่างๆเจก็จะเจือจางเบาบๆงลงไปโดยลําดับ ทำใม้จิตของบุคคลพร้อมที่จะรองรับธรรมะเบื้องสูงขึ้นไปซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการทํางานต่างๆนั้นก็เหมือนกับขั้นตอนของการพัฒนาจิตถ้าขั้นตอนหนึ่งยังไม่เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนอื่นแม้จะเตรียมพร้อมเอาไว้ก็ทําอะไรไม่ได้คล้ายๆกับการจะทาสีบ้านแต่องฝายัางปูไม่เรียบร้อยหรือว่ากระดานที่เอามาปูไม่ได้สีไม่ได้ใส่กบให้เรียบร้อยมันก็ทาสีไม่ได้ จำเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนเบื้องต้นมาเสียก่อนจันได้ก็ดีจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นการจะกา้ า, กาวหน้าพัฒนาไปในส่วนเบื้องสูงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามจำเป็นจะต้องปรับระดับล่างให้อยู่ในสาภาพพร้อมเสียก่อนแล้วจะเป็นฐานรองรับให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับสูงได้โดยเจิงของการปฏิบัติแม้จะสึงเน้นไว้ที่ศีลสมาธิปัญญา แต่บางครั้งก็ทรงหลากหลายคำสอนออกไปด้วยวิธีการต่างๆโดยเะพาะในที่นี้ทรงสอนให้พระโตตรกะได้พยายามมองสิ่งทั้งหลายให้เห็นเป็นสามช่วงด้วยกันคือส่วนเบื้องบนเบื้องกลางเบื้องต่ำหรือว่าส่วนซ้ายส่วนขวาส่วนกลางก็ตามโดยทรงสอนให้มองเช่นประการก็มองที่ปัจจุบันอดีตอนาคตเรื่อง ธรรมะก็มองทั้งที่ทเป็นกุศละกุศลและกลางกลางเรื่องกรรเวทนาก็มองให้เห็นทั้งสุขทั้งทุกข์และไม่จะทุกข์ไม่จะสุขเรื่องพบก็มองให้เห็นทั้งการมาพบรูปมาพบมรูปมพบเรื่องชีวิตก็มองให้เห็นเบื้องบนก็จากศีรษะปลายผมลงมาเบื้องต่ําก็จากปลายเล็บขึ้นไปเบื้องกลางก็อวิชชาส่วนลําตัวของบุคคลเหล่านั้นปัญญามองให้เห็นเรื่องความจริงในแต่ละสิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ในกรณีของการเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเช่นว่าตัวเวทนาเราในขณะนั้นอาจจะประสบสุขเวทนาอยู่ก็ได้แล้วก็พยายามเรียนรู้เข้าใจถึงสุขเวทนาตามความเป็นจริงเมื่อเข้าใจสุขเวทนาก็มองอีกด้านหนึ่งว่ากลายเป็นทุกขเวทนาและถ้าหากความทุกขไม่เด่นความสุขก็ไม่เด่นไม่ปรากฏตัวออกมาอย่างเด่นชัดก็หมายความว่าในขณะนั้นเป็นอทุทกขมสุขเวทนาก็ามองการ ขณะที่ล่วงแล้วก็ถือว่าเป็นอนดีตอดีตไกลหรืออดีตใกล้ก็เป็นเรื่องหนึ่งขณะที่ยังไม่มาถึงคือนาทีหน้าเป็นต้นไปก็เรื่องของอนาคตแต่จิตใจของบุคคลกําหนดเรียนรู้อยู่ที่ปัจจุบันเพราะเรื่องอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วอนาคตเองก็ยังไม่มาสิ่งที่จะใช้เป็นอารมณ์ในการพิพจารณาหรือเป็นอารมณ์ให้เกิดกิเลสจึงอยู่ที่ปัจจุบันเป็นประการสําคัญก็ทรงสอนให้บุบคคลพิจารณาในการปัจจุบัน เฉพาะในที่นี้ได้ส่งเน้นว่าอย่าได้มีสัญญาในอารมณ์ทั้งหลายที่จะก่อให้เกิดความเนื่นช้าในการประฏิบัติหรือในการที่จะรับผลสูงสุดในพระพุทธศาสนาตามที่ท่านถามไปรมสัญญานั้นในแง่ของสังขารขันในแง่ของคาถาท่านแปลว่าความจำได้หมายรู้แต่จะถามไม่จำได้หมายรู้อะไร ก็ต่อไปจําได้หมายรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลิภตภัหรือยันร้อนนอนแข็งแล้วก็รู้ทำอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็หมายถึงการกําหนดหมายการกําหนดหมายอารมณ์เหล่านั้นซึ่งวันนี้จะเห็นได้ว่าบรรดาอารมณ์ทั้งหลายนั้นไม่ว่าจะหยาบจะละเอียดจะเรวจะเร็วนี่จะอยู่ใกลจะอยู่ไกลก็ตามมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างไง เ, เรื่องของสิ่งที่ตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามกฎของปัจจัยลักอารมณ์เหล่านั้นใครจะมีพื้นจริตอัธยาสัยอย่างไรก็ตามแต่ก็ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภะและธรรมารมอยู่ตลอดตัวการสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวอารมณ์ภายนอกแต่อยู่ที่ภายในใจของบุคคลที่ไป จำหมายอารมณ์เหล่านั้นฉึงยกตัวอย่างว่าเมื่อบุคคลจํารูปบางอย่างไว้ในฐานะที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกำหนดรูปอีกอย่างหนึ่งว่าในฐานะที่น่าใคราน่าปราถนาหน้าพอใจจํารูปอีกอย่างหนึ่งในฐานะที่ไม่ชอบน่ารังเกียจน่าขยะขยะจํารูปอีกอย่างหนึ่งเอาไว้ในฐานะที่เป็นศัตรู ก็ความจําเหล่านั้นก็เก็บไว้ภายในใจคือใจก็เก็บความสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ภายในใจที่เราเรียกว่าความจําต่อมาใจก็จะมีการกําหนดมมหนดมามยอารมณ์กําหนดหมายอารมณ์โดยอาศัยพื้นฐานความจําของตนที่เก็บไว้ภายในใจเป็นตัวกําหนดอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือหลายๆครั้ง การกรำหนดจึงเกิดขึ้นกับความจําของตนว่าเราจําสถานะของสิ่งเหล่านั้นว่าอย่างไรเช่ <c oughs> นว่าเมื่อบุคคลที่เรากําหนดหมายว่าเป็นที่รักมาถึงข้าวใจก็ฟูขึ้นด้วยความชื่นชมยินดีที่ได้พบ <c oughs> กับบุคคลนั้นเป็นที่รักของตนยยว่าใจไปจําไว้อย่างนั้นเมื่อคนนั้นปรากฏก็กําหนดหมาย ไปตามสัญญาคือความจัเป็นญาติาารเราเพื่อนเราพี่น้องเราลูกเรามิตรสาหิตของเอบเป็นต้นความปีติสมรรติก็บงังเกิดขึ้นแต่เนื่องจากเป็นการกําหนดหมายด้วยแรงที่มุ่ง ม, มา่ปรารถนาจะให้เป็นอย่างที่ตัวต้องการเป็นเพราะนั้นเมื่อเมื่อรูปเหล่านั้นไม่ปรากฏความกระนึ่งหาความคิดถึงก็บงังเกิดขึ้น คิดถึงด้วยอํานาจของอะไรก็คิดถึงด้วยอำนาจของความใคร่ความยินดีความพอใจที่ในพะพบได้เห็นที่จะสนทนาที่จะได้อยู่ด้วยกันกับรูปเหล่านั้นกับบุคคลเหล่านั้นพ ร, รูปเหล่านั้นปรากฏก็เกิดปีติยินดีดังกล่าวแล้วแล้วู้พอรูปเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปใจก็เปลี่ยนตามไปซึ่งขึ้นอยู่กับว่า <c oughs> มีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเพียงไร แต่ตามปกติแล้วใจจะตั้งแแหเป็นที่ตั้งแห่งความโศกหรือความเบื่อหน่ายเพราะในปรากฏการกําหนดครั้แรกนั้นเป็นการกําหนดด้วยแรงปรารถนาที่ต้องการจะให้มีการตอบสนองความต้องการของตนมารูปเหล่านั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าเหมือนกับนิทานนิศบเรื่องสุนัขไล่เนื้ออายุมากเรามองเห็นภาพของกิเลสของธรรมะที่เป็นกุศลนกกุศล เคลื่อนไหวออกไปเป็นรูปธรรมจริงๆแต่ก่อนนั้นสุนัขตัวนั้นก็เป็นเพื่อนคู่ทุกคู่ยากของนายพรานไปไหนมา ไ, ไหนด้วยกันมีความเอื้ออทรต่อกันกด้เอาใจใส่กันซึ่งกะหมายความว่าการจำหมายในลักษณะนั้นนายพรานก็จำหมายว่าสุนัขนี้เป็นสุนัขไล่เนื้อที่เคยไล่เนื้อสร้างความร่รารวยให้แก่ตนสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเป็นอันมากแน่ พอสุนัขอยู่ด้วยก็รู้สึกอุ่นใจเชื่อมัน่นพอสุนัขหายไปก็ต้องติดตามแสแงหาให้กลับคืนมาจิตใจของเขาก็หมุนวนอยู่ด้วยความรักความปรารถนาการกําหนดหมายในสุนัขตัวนั้นตามตรุษวรแกะกะละนั้นๆเจนอยู่ร่วมกันก็สบายใจหายไปก็ตกใจห่วงใหญ่ต้องติดตามหามาแต่เมื่อสุนัขเริ่มแก่ชะราลงไป ผลประโยชน์ที่ตนเคยได้ก็ น, น้อยลงจับสัตว์ไม่ได้พระเล็บหมายพระเกี้ยวไม่มีเป็นต้นในสุขความรู้สึกสูญเสียคือรู้สึกกล้ใกกับสุนัขสุนัขตัวนั้นไปทําลายผลประโยชน์ของแกก็เกิดกําหนดหมายใหม่ว่าที่จริงแกควรจะได้เนื้อตัวนั้นแต่เพราะสุนัขไม่ดีแกจึงไม่ได้แต่ก็เริ่มเปลี่ยนความรู้สึกต่อสุนัขตัวนั้นตัวนั้น และในสุดก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งก็กลายเป็นความไม่พอใจเมื่อก่อนสุนัขจากไปรู้สึกเศร้าโศกเสียใจต้องสแสวบหาเวลานั้นเวลานี้ถ้าสุนัขจากไปก็สบายใจสุนัขหายไปก็ไม่โหย ห, ยห่าที่จะติดตามเวลาไปด้วยก็รู้สึกไม่อุ่นใจไม่สบายใจและในสุดก็ถึงกับทุกตีไล่ออกไปนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของจิตที่เกิดขึ้นจากการกําหนดหมายของบุคคลนั่นเอง แลเงื่อนไในการกำหนดหมายนั้นก็อยู่ที่สามารถสนองตอบตำหนของตนได้สามารถสนองตอบตำหนของตนได้จิตก็จะวิ่งไปโดยนัยยะนังกลาวแล้วคือถ้าไม่มีก็ต้องสแสวงหามาถ้าได้มาแล้วก็จะชื่นชมตนุตนอมหววแขนในจริงดัง น, นั้นเมื่อสิ่งนั้นจางไปเปลี่ยนไปก็พยายามที่จะสแสวงหาแก้ไขกันดลประการต่างต่าพอสิ่งนั้นแตกดับไปก็ทัาสุขเสียใจ ร้องหมร้องไห้กันนั้นก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันพระเจ้าก็สอนในหยุดดีเองสอนให้ท่านโทสะซึ่งก็หมายว่าใครก็ตามที่ปรารถนาจะให้ตนหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นจะต้องไม่มีการกำหนดอารมณ์ในลักษณะนั้นจะต้องไม่จำหมายอารมณ์ในลักษณะนั้นมากเกินไป อย่างน้อยที่สุดก็คือต้องไม่มากเกินไปแต่จุดสูงสุดก็คือไม่กําหนดเลยพระจับใดที่ยังมีการกําหนดว่าหน้ารักแต่การกําหนดว่าหน้าชังมัก็เกิดขึ้นได้มีการกําหนดว่าหน้าชังการกําหนดว่าหน้ารักมันก็เกิดขึ้นได้เพราะสิ่งทั้งสองนี้เป็นลูกกุ่มที่แกว่งไปแบ่งมาด้านหนึ่งก็เป็นรักด้านหนึ่งก็เป็นช่ง แม้ในวัตถุเดียวกันในคนเดียวกันในสัตว์ตัวเดียวกันเช่นเดียวกับสุนัขปลาเนื้อที่าที่สรุปมาในตอนตอน้นทราบว่าบุคคลไม่มีการจําใหม่อารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ในแง่น่าไ้น่าปรารถนาหน้พอใจเวลาพบเห็นอีกครั้งหนึ่งก็จะไม่กําหนดด้วยความชื่นชมยินดีในกรณีของการไม่กําหนดหมายอารมณ์ ในทางตรงกันข้ามคือไม่น่าใครไม่น่าปรารถน า, นาไม่น่าพอใจเวลารูปเป็นต้นผ่านมาเสียงผ่านมาใจก็จะไม่เกิดความไม่พอใจความไม่ยินดีความโกรธหรือความอาคาดพยาบาทก็ตาบเพราะอะไรเพราะว่าไม่เคยจาหมายไว้ในฐานะเป็นศัตรูเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มาก่อนอาการกำหนดหมายอารมณ์ในลักษณะเหล่านี้ ก็จะไม่มีอยู่ภายในใจิตใจของบุคคลเหล่านั้นมากอารมณ์เหล่านั้นจะเกิดก็เป็นเรื่องของอารมณ์เกิดอารมณ์ดับก็เป็นเรื่องของอารมณ์ดับตนเองก็ทําใจสงอบอยู่โดยไม่วิ่งเข้าไปเกี่ยวเกาะอารมณ์เหล่านั้นข้อนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าแท้ที่จริงแล้วอาการของธรรมะเหล่านี้ปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตประจํำวันของเรา เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกก็ดีในบ้านในเมืองก็ดีหรือแม้แต่ว่าใกล้บ้านของตนก็ดีผมควรจะสังเกตว่า ม, มีเป็นจำนวนป้าที่เหตุการณ์เหล่านั้นไม่สามารถจุดกระชากเราออกไปได้เราอ่านหนังสืออยู่ก็อ่านหนังสือทำงานก็ทำงานสนทนาการก็สนทนาการหรือนอนอยู่ก็นอนอยู่โดยไม่ยอมลุกไปจากเตียงหรือว่าลุกขึ้นไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แบบนั้นแต่จะถามมาทำไม ประว่าใจเราไม่ได้กําหนดหมายเหตุการณ์บุคคลเหล่านั้นว่าเป็นพวกเราเป็นเพื่อนเราเป็นจัตรุของเราคือไม่กําหนดหมายทั้งด้านบวกและด้านลบใจก็ไม่มีความคิดที่จะลุกขึ้นไปรับรู้เรื่องเหล่านั้นไม่ใจไม่คิดไม่สั่งร่างกายคงอยู่ในที่เดิมอิเลยียมบุดเดิมการแสดงออกในลักษณะนี้จึงพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของบุคคล ว่าในแต่ละวันนั้นความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจของเราก็ขึ้นอยู่กับการกําหนดหมายอารมณ์ในขณะนั้นๆและการเก็บอารมณ์ไว้ในอนดิตกาศว่าจะเป็นเรื่องความใคร่ความปรารถนาความพอใจหรือไม่ใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจก็ตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ให้กําหนดหมายอารมณ์ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิด ธรรมะกรงหนึ่งที่ทรงเรียกว่าปปัญจะสังขารคือสิ่งที่ทำให้เกิดความเลื่อนช้าอึด อ, อัดยืด้าวยาวนานแล้วก็วนเวียนอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของชีวิตของสังสารวัฏหรือของภกของชาติกระตักปปันจะสังขานั้นจงใช้ธรรมะสามประการด้วยกันคือตัณหาชื่อว่าปปันจะสังขาร เือตันหาไปที่เป็นเหตุในเรื่องชาตล้วต่างหลายลองดูสังเกตที่เป็นรูปธรรมจริงๆเราก็เห็นกันได้ชัดๆว่าเช่นว่าไปซื้อของหรือไปที่ไหนก็ตามถ้าใจไปยังมีตันหาอยากซื้ออยากดูอยากจับต้องอยากทดลองสิ่งเหล่านั้นกายของบุคคลก็จะหมุนวนอยู่ในเรื่องเหล่านั้นตาก็จะสอดสายไปหาสิ่งเหล่านั้น หูก็จะคอยสดับจับพังสปปรรพคุณความดีงามของสิ่งเดีย้นการเวลาที่นัดหมายการจะต้องลาดช้าอิจฉาไปเป็นประปันจะทำคือธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าเราเห็นได้อย่างชัดเจนซึงบางครั้งพระพุทธเจ้าก็เล่าที่เป็นรูปธรรมเป็นเรื่องราวของบุคคลและแม้ในชีวิตของพระองค์เองบางครั้งบางคราวก็ติดตันหาในรสหวานของวนของเกสรดอกไม้ ในความหอมวนเกสรดอกไม้ในสมัยที่เป็นนกกระจอกไปติดอยู่ในดอกบัวเพราะเพลินอยู่กับสวยงามความสวยงามและความหอมหวานของเกสรดอกไม้ของน้ำหอมในดอกไม้เพื่อให้เกิดเป็นรู ป, ปรธรรมขึ้นมาบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเป็นรูปของพุทธภา ษ, ษ, ษ, ษ, ษิตว่าปยามัจจุราชย่อมฉุดคร่าบุคคล กวบมัวเพลินเก็บวงดอกไม้แห่งมารเดียวให้ไปสู่อำนาจของตนจะหมายความว่าคนที่เพลินอยู่กับความสุขในการดูรูปในการฟังเสียงในการดมกลิ่นในการลิ้มรสในการถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งยืดเหนียวเป็นต้นในความเหนียวนึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นด้วยความปรารถนาหน้าใครหน่าพอใจมันก็เกิดความเพลิน ลืมวันลืมเวลาลืมภารกิจหน้าที่ต่างๆเหมือนบุคคลเข้าไปสู่สวนดอกไม้ที่มีสวนดอกไม้มีดอกไม้หลากหลายพิจิตติจ ด, ดันก็จะเดินชมสวนกันจนเพลินลืมเวลานัดหมายไปเป็นต้นนี่คือภาพของตัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วก็ผลักดันออกมาเป็นวลาบทเป็นรูปธรรมคือเป็นคำพูดเป็นการแสดงออกเป็นการน่วงเหนียวให้เกิดความราช้าขึ้นในชีวิตของคน ดึงบางครั้งบางขราวแต่าาว่าตันหาเป็นไปอย่างรุนแรงคนบางคนอาจจะตายในขณะในที่นั้นก็ได้เห็นพวกเรารู้ข่าวพวกเหมืองแร่ตัดลมพวกอะไรต่อเมื่อไรี่เกี่ยวกับคนถาทรัพย์สินในดินต่างๆเพราะความอยากได้มากเกินไปทั้งๆที่ทมีข่าวว่าจะมีอันตรายปรากฏแต่ตันหาแรงจัดมาก มันกดคนเอาไว้กับสถานที่นั้นกดมือกดตากดอวัยวะไว้ในสถานที่นั้นกดคุยหยิบช่วยพยายามเอาไว้ได้มากที่สุดท่าที่จะมากได้แลวในที่สุดก็เกิดภูเขาพังทลายลงมาหินถล่มลงมาเป็นต้นและในที่สุดตัวเองก็เอาไปไม่ได้ภาพเหตุการณ์เหล่านี้ก็คือเรื่องธรรมะล้วนๆแต่ก็เป็นรูปธรรมแล้วเป็นกุศลผลของกุศลของอกุศลแล้ว โดยเจ้าจึงทรงสอนให้ไม่ให้กําหนดหมายอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งปัปปัญจะธรรมหรือธรรมะเป็นเหตุเดินช้าข้อแรกคือเรื่องข้อตันหาการกําหนดหมายอารมณ์นั้นก็กําหนดหมายได้หลายจุดคือเรื่องของตันหานั้นจะพบ ว, ว่าเวลาแกเกิดและแกเกิดจุ่งไปหมดแหลจะจนมีการพูดกันว่าตันหา108 เราลองสังเกตที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงถึงการเกิดข้งตานหารหรือแหล่งเกิดของตัหาเอาไว้เป็นชุดๆทีละหกชุดด้วยกันคืออาจจะเกิดจากอญญายตนะภายในคือเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้แต่และจุดนั้นเกิดตานาได้ทั้งหมดหรือเกิดขึ้นจากอญญายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผุดระพะก็ได้แต่ละอย่างก็เป็นเหตุเกิดตาหา รือไม่งั้นอาจจะเกิดที่ปัญญาณคือความรู้รู้ด้วยตารู้เสียงด้วยหูรู้กลิ่นด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้นรู้เย็นร้อนอนแข็งด้วยกายรู้อารมณ์ด้วยใจยก็ได้หรือไงั้นตะนัจะเกิดในจุดของการสัมผัสคือการกระทบกัน ร, ระหว่างอาจจานะภายในภายนอกและความรู้คือวิญญาณตระนัก็เกิดขึ้นในสัมผัสทั้งหประการได้คำว่าสัมผัสหกนั้น ก็คือการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจในเรื่องของเวทนาหกประการที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากการที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียนั่นเองตัณหาก็เกิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนผู้ปฏิบัติอย่าไปกำหนดหมายอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดตัณหา ถ้ากาหนดในแนวตรงกันคําก็เป็นธรรมะที่พึงประพฤติปฏิบัติเพราะธรรมะที่เป็นกุศลก็เดียกุศลก็ ด, กกดีก็เกิดขึ้นทางประสาทสัมผัสในที่นี้จึงส่งสอนแม่กําหนดหมายอารมณ์อันเป็นเหตุให้เกิดตารหาในอารมณ์ทั้งหลายต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความส ง, งบสืบต่อไป